พระสุตตันตปิฎกคุตกระนิกายกุธกระปาถะเล่มหนึ่งภาคหนึ่งรัตนสูตรว่าด้วยรัตนอันประณีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัตรัตนสูตรเป็นคถาซึ่งแปลเป็นไทยว่าดังนี้หมูพูดเหล่าใดอยู่ภาคพื้นดินหรือเหล่าใดอยู่ภาคพื้นอากาศ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 บุคคลเหล่านั้นเป็นสาวกของพระสุคต์ควรแก่ทักษิณาทานทานทั้งหลายที่เขาถวายในบุคคลเหล่านั้นย่อมมีผลมากแม้อันนี้เป็นรัตนะอันประนีในพระสงฆ์ด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีพระอาริยบุคคลเหล่าใดในศาสนาของพระพุทธโคดมประกอบดีแล้วมีใจมั่นคง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 พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสความที่พระโสดาบันผู้เห็นบทคือพระนิพพานแล้วไม่อาจปกปิดบาปกรรมนั้นไว้แล้วแม้อันนี้เป็นรัตนอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีผู้ไม้งามในปา่ายอดมีดอกบานสะพรั่งในต้นเดือนคิมหะแห่งฤดูคิมหันชันได พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐอันใหถึงพระนิพพานเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่สัตว์ทั้งหลายก็อุปมาฉันนั้นแม่อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงรู้ธรรมอันประเสริฐประทานธรรมอันประเสริฐ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 อันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีหมู่พูดเหล่าใดอยู่ภาคพื้นดินหรือเหล่าใดอยู่ภาคพื้นอากาศมาประชุมกันแล้วในที่นี้พวกเรานอบน้อมตถาคตสงอันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีจบคาถารัตนสูตร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 การวิสัชนาปัญหาเหล่านั้นโดยสังเขปมีเท่านี้ส่วนพิสดารพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายพนานาไว้นับแต่เรื่องเรื่องกรุงเวสาลีเป็นต้นไปดังได้สดับมาพระอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงพาราณสีส่งพระคันพระนางทรงทราบแล้วก็ได้กราบทูลพระราชาให้ทรงทราบ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 ดาบทเกิดความรักดังบุตรในทารกทั้งสองนั้นน้ำนมก็บังเกิดจากหัวนิ้วแม่มือของดาบทนั้นตั้งแต่นั้นมาดาบทได้น้ำนมและอาหารมาก็บริโภคอาหารหยอดน้ำนมในปากของทารกทั้งสองสิ่งใดๆเข้าไปในท้องของทารกนั้นสิ่งนั้นๆทั้งหมดก็จะไล่เห็นเหมือนเข้าไปในภาชนะทำด้วยแก้วมณีทารกทั้งสองไม่มีผิวอย่างนี้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 บีดนตรีบรรเลงพากันมาอย่างอาสมดาบทกล่าวว่าทารกทั้งสองมีบุญมากพวกท่านจงช่วยกันเลี้ยงให้เจริญวัยด้วยความไม่ประมาทครั้นให้เจริญวัยแล้วจงจัดการอวาหะวิวาหะ・กันละกันให้พระราชาทรงยินดีด้วยปัญจโครถจงเลือกหาภูมิประเทศช่วยกันสร้างพระนครขึ้นจงอภิเษกพระกูมา น, นะที่นั้น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 ก็บอกว่าเจ้าเด็กไม่มีพ่อแม่ที่ดาบทเลี้ยงเหล่านี้ขมเหงเราแต่นั้นมารดาบิดาของเด็กเหล่านั้นก็กล่าวว่าทารกสองคนนี้ชอบข่มเหงให้เด็กอื่นๆเดือดร้อนจะไม่สงเคราะห์มันละเว้นมันซะเขาว่าตั้งแต่นั้นมาประเทศที่นั้นจึงถูกเรียกว่าวัดชีขนาดสามร้อยโยชนครั้งนั้น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 ก็ไม่พอที่จะบรรจุอารามอุทยานสถานที่อยู่บริวารและสมบัติจึงล้อมรอบด้วยประการสามชั้นระหว่างขาวุธหนึ่งหนึ่งเพราะนคร น, นั้นถูกขยายกว้างออกบ่อยๆจึงเกิดนามว่าเวสาลีนีแลนี่คือเรื่องกรุงเวสาลีหมายเหตุผู้อ่าน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 สมัยต่อมากรุงเวสาลีได้เกิดทุกพิกาภัยฝนแรงเข้ากล้าตายหนึ่งคนยากคนจนตายก่อนเขาทิ้งคนเหล่านั้นไปนอกนครพวกอกมนุษย์ได้กลิ่นคนตายก็พากันเข้าพระนครแต่นั้นผู้คนก็ตายเพิ่มมากขึ้นเพราะความปฏิกููนั้นอหิวาตากโรคก็เกิดแก่สัตว์ทั้งหลายชาวกรุงเวสาลีถุกภัยสามอย่างคือทุกพิกรภัย มนุสภัยและโรคภัยเบียดเบียนก็เข้าไปเฝ้าพระราชากราบทูลว่าขอเดชะเกิดภัยสามอย่างในพระนคร น, นิล้าพระเจ้าค่ะแต่ก่อนนี้นับได้เจ็ดชั่วราชสกุลไม่เคยเกิดภัยเช่นนี้เลยเจ้รอยพระองค์ไม่ทรงตั้งอยู่ในธรรมบัดนี้ภัยนั้นจึงเกิดขึ้นพระราชาทรงประชุมเจ้าลิชวีทุกพระองค์ในที่ว่าราชการ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 ด้วยเหตุนั้นเจ้าลิจวีเหล่านั้นจึงดีพระไทยตรัสว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นบัตรนี้ประทับอยู่ที่ไหนเราพวกเราส่งคนไปเชิญจะไม่เสด็จมานี่ยสิเจ้าลิจวีอีกพวกหนึ่งตรัสว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทรงเอนดูสัตว์เหตุไรจะไม่เสด็จมาเล่าก็พระภู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นบัตรนี้ประทับอยู่กรุงราชคฤห์ พระเจ้าพิมพ์พิสารทรงอุปถากอยู่เกรงเท้าเธอจะไม่ให้เสด็จมาตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเราจะทูลพระเจ้าพิมพ์พิสารให้ทรงเข้าพระทยัยแล้วนําพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแล้วส่งมอบเครื่องบรรณาการเป็นอันมากส่งเจ้าลิชวีสองพระองค์พร้อมด้วยกองกําลังขนาดใหญ่ไปยังราชสํานักพระเจ้าพิมพิสารโดยสั่งว่า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 เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลถามว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญพระองค์ทรงรับจะเสด็จไปกรุงเวสาลีหรือพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าถวายพระพรมหาบพิษเท้าเธอทูลว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญถ้าอย่างนั้นโปรดทรงรอจนกว่าจะจัดแจงหนทางถวายนะพระเจ้าค่ะ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 พระผู้มีพระภาคเจ้ายกพระบาทแรกวางลงริมฝั่งแม่น้ําคงคาฝนบกขระพันสระก็โปรยเม็ดลงมาชนเหล่าใดต้องการจะเปียกชนเหล่านั้นเท่านั้นยอมเปียกผู้ไม่ต้องการเปียกก็ไม่เปียกในที่ทุกแห่งน้ำยอมไหลไปเพียงแค่เขา่าแค่ขาแค่สีเอวแค่คอซากศพทั้งปวง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 ดังนั้นในวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงกรุงเวสาลีนั่นเองรัตนสูตรนี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสใกล้ประตูกรุงเวสาลีเพื่อกำจัดอุปัทวะเหล่านั้นท่านพระอนุ์ก็เรียนเอาเมื่อจะกล่าวเพื่อเป็นปริตระหรือปริตคือป้องกันอุปัทวะจึงเอาบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าตักน้ามาเดินปะพรมไปทั่วพระนคร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 โรคก็สงบไปพวกมนุษย์ทั้งหลายก็พากันออกมาบูชาพระเทระด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นทุกอย่างมหาชนเอาของหอมทุกอย่างฉาบทาสันถาคารที่ประชุมทั้งกลางพระนครทําเพดานกจิตด้วยรัตนะประดับด้วยเครื่องประดับทั้งปวงปู่พุทธาดลงณ์ณที่นั้นแล้วนําเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามา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 ก็เที่ยวเดินไปทั่วกรุงเวสาลีทำอารักขาแล้วก็มาพร้อมกับชาวกรุงเวสาลีนั่งหน้าที่ควรส่วนหนึ่งณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัส ร, รัตนสูตรนั่นแหละแก่ทุกคนแลก็มาติดกาหัวข้อใดข้าพเจ้าตั้งไว้ว่าข้าพเจ้าจะาประกาศในยะนี้ว่ารัตนสูตรนี้ผู้ใดกล่าวกล่าวเมื่อใด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 ใช้หมายถึงรูปมีปัทวีธาตุเป็นต้นสี่อย่างได้ในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าจัดตาโรโคภิกขุมหาภูตาเหตุดูก่อนภิกษุมหาภูตรูปสี่ลาเป็นเหตุใช้หมายถึงพระขี่นาศพได้ในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าโยจักาลคโศภูโตก็พระขี่นาศพไดแลกินการเวลา ใช้หมายถึงสัรพสัตต์ได้ในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าสัพเพวะนิขิปิสันติภูตาโลเกสมุตสยางสัพพะสัพพสัตว์จากทอดทิ้งเรือนร่างไว้ในโลกใช้หมายถึงต้นไม้เป็นต้นได้ในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าภูตคามะปาตับยตายะในพระพรากภูตคาม ใช้หมายถึงหมูสัตว์ภายใต้เทพชั้นจาตุมหาราชได้ในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าผู้ตังผู้ตัโตสัญชานาติจำได้ซึ่งหมูสัตว์โดยเป็นหมูสัตว์ก็จริงถึงกระนั้นพูดสั์พึงทราบว่าใช้ในอัถะคือความหมายว่าอะมนุษย์โดยไม่ต่างกัน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 สัพเพะพูตาสุมนาพระวันตุบทว่าสัพเพได้แก่ไม่เหลือเลยสัพว่าเอวะลงในอัฏฐว่าอาวธารณะห้ามความอื่นอธิบายว่าไม่ละเว้นแม้แต่ผู้เดียวบทว่าภูตาได้แก่พวกอมนุษย์บทว่าสุมนาพระวันตุ ได้แก่จงเป็นผู้เกิดปีติโซมมนั์คำว่าอัโทโปิเป็นนิบาต ท, ทั้งสองคำลงในอัถะคือการยึดภาคคือประโยคเพื่อประกอบไว้ในกิจคือหน้าที่อื่นบทว่าสักกัจจะสุนันตุภาสิตังได้แก่ทำให้เป็นประโยชน์ทำไว้ในใจรวบรวมโดยใจทั้งหมดแล้วจงฟังเทศนาของเรา อันจะนำมาซึ่งทิพยสมบัติและโลกุตระสุขในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงระบุพวกพูดด้วยพระดํารัสที่แม่แน่นอนว่ายานิทะพูตานิสมาคตานิแล้วจึงทรงกำหนดเป็นสองส่วนอีกว่าภูมานิวายานิวะอนุตตลิเขนอกจากนั้นก็ตรัสรวมอีกว่า สัพเพวะภูตาทรงประกอบสัตว์ไว้ในอาสยะสมบัติด้วยพระดำรั ด, ดีว่าสุมาาพวันตุทรงประกอบสัตว์ในประโยคสมบัติด้วยพระดำรดสักกัจจังสุนันตุภาสิตังทรงประกอบสัตว์ไว้ในสมบัติคือโยนิโสมนสิการและในสมบัติคือการโฆษณาจากผู้อื่น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 จะกล่าวคาถาที่สองว่าตัตสมาหิเป็นต้นในคาถานั้นบทว่าตัตสมาเป็นคากล่าวเหตุบทว่าภูตาเป็นคำเรียกเชิญบทว่านิสาเมทะได้แก่จงฟังบทว่าสัพเพได้แก่ไม่เหลือเลยท่านอธิบายไว้อย่างไรท่านอธิบายว่าย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 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นว่าพูดเหล่านั้นมีใจดีและอยากฟังโดยเคารพจึงตรัสว่าเพราะเหตุที่ท่านทั้งหลายประกอบด้วยความเป็นผู้มีใจดีโดยอัตตะสัมมาปณิธิโยนิโสมนสิการและอาศยะสุทธิด้วยความเป็นผู้อยากฟังโดยเคารพและด้วยประโยคาสุทธิโดยเป็นประทัดฐานแห่งการเข้าหาสัตว์บุรุษ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 หาได้ยากและมีอนิสง์มากเพราะปฏิบัติด้วยพระคุณมีปัญญาคุณและกรุณาคุณเป็นต้นทั้งเราก็ประสงค์จะกล่าวพาสิตนั้นจึงได้กล่าวว่าสุนันตุพาสิตังฉะนั้นแหละขอท่านพูดทั้งหลายทุกท่านโปรดตั้งใจฟังเถิดประดารัตน์นี้เป็นอนทรงอธิบายด้วยบทแห่งคาถานี้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 โดยพระสูตรเป็นต้นอย่างนี้ว่าบุคคลอันเทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมเห็นความเจริญทุกเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงแสดงว่าเมตตามีประโยชน์เกื้อกูลแก่คนแม้ทั้งสองฝ่ายอย่างนี้จึงตรัสว่าเมตตังกโรธามนุสิยาปชายะบัดนี้เมื่อจะทรงแสดงแม้อุปการะจึงตรัสว่า เพราะฉะนั้นแหลขอท่านทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทช่วยปกปักรักษาพวกคนที่นำพลีมาบูชาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนด้วยเถิดภาษิตนั้นมีความว่ามนุษย์เหล่าใดสร้างเทวดาแม้ด้วยภาพเขียนและแกะด้วยไม้เป็นต้นและเข้าไปยังรุขเจดีเป็นต้นทำพลีกรรมเส้นสวงในเวลากลางวันและทำพลีกรรมในเวลากลางคืนวันข้างรามเป็นต้น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 จงนําเข้าไปแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลพนนาคาถาว่ายังกินจิพระผู้มีพระภาคเจ้าครัน้นทรงแสดงว่ามนุษย์มีอุปการะในเทวดาทั้งหลายอย่างนี้แล้วจึงทรงเริ่มประกอบสัจจะวจนะโดยนัยยะว่า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 คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ควรทำการแลกเปลี่ยนได้ในถิ่นั้นๆบทว่าวิตังได้แก่ทรัพย์จริงอยู่ทรัพย์นั้นชื่อว่าวิตตังเพราะให้เกิดความปลื้มใจทรงแสดงมนุษยโลกด้วยบทว่าอิทธวาทรงแสดงโลกที่เหลือนอกจากมนุษยลโลกนั้นด้วยบทว่าอุรังวา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 มีทองเงินแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพทูลแก้วประพานแก้วทับทิมและแก้วลายเป็นต้นและทรั์เครื่องปลื้มใจอันใดสำหรับนาคและครุฑเป็นต้นที่อุบัติในพบทั้งหลายอันกว้างหลายร้อยโยอดในวิมานรัตนะนาภาพื้นดินที่ลาดด้วยทรายแก้วมุกดาและแก้วมณีรั์เครื่องปลื้มใจอันนั้น ก็เป็นอันแสดงแล้วด้วยบททั้งสองนี้ด้วยประการชนนี้บทว่าสักเคกสุวาได้แก่เทวโลกที่เป็นกามาวจรและรูปาวจรเทวโลกเหล่านั้นชื่อว่าสักคะสวรคร์เพราะดําเนินไปคือถึงได้ด้วยกรรมอันงามอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าสักคะเพราะมีอารมณ์ดีเลิศ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 รัตนอื่นนั้นก็เป็นอันทรงแสดงแล้วด้วยบทแห่งคาทานี้ด้วยประการฉนี้สับว่านหนูในบทคาถาว่าณนะโนสังอัติตถาคเตนะลงในความปฏิเสธสับว่าโนลงในความห้ามความอื่นบทว่าสมังได้แก่เทียบ บทว่าอัติแปลว่ามีอยู่บทว่าตถาคตเณได้แก่ด้วยพระพุทธเจ้าท่านอธิบายไว้อย่างไรอธิบายไว้ดังนี้ซับเครื่องปลื้มใจและรัตนนั้นใดอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศไว้แล้วบรรดาซับเครื่องปลื้มใจและรัตนนั้นรัตนะแม้แต่สักอย่างหนึ่งซึ่งเสมอด้วยพุทธรัตนะ ไม่มีเลยจริงอยู่ซับเครื่องปลื้มใจแม้นั้นใดชื่อว่ารัตนะเพราะอัฏฐว่าทําให้เกิดความยําเกรงซับเครื่องปลื้มใจนั้นใดคืออะไรคือจากรัตนะและมณีรัตนะของพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วมหาชนจะไม่ทําความเคารพยําเกรงในที่อื่น ไกลๆถือเอาดอกไม้และของหอมเป็นต้นแล้วจะไม่ไปสถานของยักษ์หรือสถานของพูดชนแม้ทุกคนจะทำความเคารพยำเกรงบูชาเฉพาะจากรัตนะและมณีรัตนะเท่านั้นปรารถนาพร น, นั้นๆั้นและพรบางอย่างที่ปรารถนาแล้วของเขาก็สำเร็จผลได้รัตนะแม้นั้นเสมอด้วยพุทธรัตนะย่อมไม่มี ก็หากว่าทรัพย์เครื่องปลื้มใจชื่อวรัตนะเพราะอัฏฐาว่าทําให้เกิดความเคารพยำเกรงประตถาคตเท่านั้นก็ชื่อวรัตนะจริงอยู่เมื่อพระตถาคตเสด็จอุบัติแล้วเทวดาและมนุษย์ผู้มีศักดิ์มากทุกหมู่เหลา่าเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นย่อมไม่ทําความเคารพยำเกรงในรัตนะอื่นย่อมไม่บูชารัตนะรายอื่นจริงอย่างนั้น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 อุทิศถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เสด็จปรินิพานแล้วก็จะป่วยกล่าวไปใหญ่สำหรับหมู่คนที่เคารพยาเกรงเหล่าอื่นเล่าอนหนึ่งแม้พระพุทธเจ้าพระองค์รายอื่นแม้ปรินิพานแล้วการทำความเคารพยาเกรงอุทิศสถานที่ประสูตรที่ตรัสรู้ที่ประกาศพระธรรมจักและสถานที่ปรินิพาน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 เพราะอัฏฐว่ามีค่ามากพระตถาคตเท่านั้นชื่อว่ารัตนะจริงอยู่พระตถาคตทรงรับแม้บางสุกุลจีวรของชนเหล่าใดทานนั้นของชนเหล่านั้นย่อมมีผลมากมีอานิสงมากทั้งนี้ก็เพราะพระตถาคตนั้นมีค่ามากด้วยคํากล่าวถึงข้อที่พระตถาคตทรงมีค่ามากอย่างนี้ พึงทราบบทแห่งพระสูตรที่สาทก ค, ความไม่มีโทษในข้อนี้ดังนี้ว่าตถาคตนั้นรับจีวรบินทบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารของชนเหล่าใดทานนั้นของชนเหล่านั้นย่อมมีผลมากมีอานิสง์มากเรากล่าวดังนั้นก็เพราะพระตถาคตนั้นมีค่ามากดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนผ้าแคว้นกาสีนั้นมีค่ามากแม้ชันใดเราก็กล่าวว่าบุคคล น, นี้มีอุปมาชันนั้นรัตนะเสมอด้วยพระตถาคตแม้เพราะอัฏฐว่ามีค่ามากย่อมไม่มีด้วยประการชนนี้รับเครื่องปลื้มใจแม้นั้นใดชื่อว่ารัตนะเพราะอัฏฐาว่า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 ประทับนั่งแล้วจะทอดพระเนตรเห็นจักรรัตนปรากฏขึ้นเหมือนดวงจันทร์เพลและดวงอาทิตย์จะทรงได้ยินเสียงมาตั้งแต่สิบสองโยธเห็นสีสันมาแต่สามโยธซึ่งมหาชนลาเห็นจะพากันแตกตื่นอย่างเละเกินว่าเชารอยดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ดวงที่สองเกิดขึ้นแล้วแล่นมาเหนือพระนครไม่สูงนักไม่ต่ำนัก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 มาจากช้างตระกูลอุโบสถก็มีจากตระกูลช้างฉัตรทันก็มีถ้ามาจากตระกูลอุโบสถก็เป็นพี่ของช้างทั้งหมดถ้ามาจากตระกูลฉัตรทันก็เป็นน้องของช้างทั้งหมดมีการศึกษาที่ศึกษาแล้วฝึกมาแล้วช้างนั้นพาบริษัทประมาณส2องโยช์ประเวณทั่วชมพูทวีปไปแล้วกลับมาเองก่อนอาหารเช้านั้นแหละ อสรรัตนะก็เกิดติดตามหัตถิรัตนะแม้นั้นนั่นแหละคือม้าขาวปลอดเท้าแดงศีษะดังกามีผมดังหญ้ามุงกระตายมาจากตระกูลพระยามาวลาหกในข้อนี้คำที่เหลือก็เช่นเดียวกับหัตถิรัตนะนั่นแหละมณีรัตนะก็เกิดติดตามอสรรัตนะแม้นั้น มณีนั้นเป็นแก้วไพยทูลงามโดยธรรมชาติแปดเหลี่ยมเจริญนยอย่างดีโดยยาวก็เสมือนดุมแห่งจักรมาจากเวทบุรบันพศมณีนั้นยามมืดแม้ที่ประกอบด้วยองค์สีอยู่ถึงยอดธงของพระราชาก็ส่องแสงสว่างไปตั้งโยน์ซึ่งโดยแสงสว่างพวกมนุษย์สำคัญว่ากลางวันก็ประกอบการงานมองเห็นโดยที่สุด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 ก็เกิดติดตามอิทธิรัตนะแม่นั่นแลก็คือเศรษฐีผู้ทําการงานโดยปกติของพระราชาซึ่งพอจักรัตนะเกิดขึ้นก็ปรากฏที่พญาจักสุเห็นขุมทรัพย์ได้ประมาณโยอหนึ่งโดยรอบทั้งที่ไม่มีเจ้าของทั้งที่มีเจ้าของก็เข้าเฝ้าพระราชาทูลปรารถนาว่าข้าแต่เทวราชขอพระองค์โปรโดทรงวางพระราชภารกิจเถิด ข้าพระบาทจักทากิจที่ควรทำเกี่ยวกับทรัพย์สินของพระองค์เองพระเจ้าค่าปรินายกรัตนะก็เกิดติดตามกหาปฏิรัตนะแมนันลโดยปกติก็คือพระเชษฐราชโอรสของพระราชาพอจักรัตนะเกิดขึ้นก็เป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาความฉลาดอย่างเลิศเกิน สามารถกำหนดรู้จิตใจของบริษัทประมาณสิบสองยอดด้วยใจตนแล้วทำการนิคหะลงโทษและปักหะคือยกย่องปรินายกนั้นก็ข้าวฝ้าวพระราชาทูลปรารถนาว่าข้าแต่เทวราชขอพระองค์โปรดทรงวางพระราชภาระเถิดข้าประบาทจากบริหารราชการแผ่นดินของพระองค์เองพระเจ้าค่าก็หรือว่า ซับเครื่องปลื้มใจแม้อื่นใดเห็นปานนั้นชื่อว่ารัตนะเพราะอัฏฐว่าช่างไม่ได้ซัพ์เครื่องปลื้มใจอันใดไม่สามารถพินิษพิจารณาตีราคาว่ามีข้าวร้อยหนึ่งพันหนึ่งหรือโกดหนึ่งในซับเครื่องปลื้มใจนั้นแม้รัตนะสักอย่างหนึ่งซึ่งเสมอด้วยพุทธรัตนะไม่มีเลย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 รัตนะเสมอด้วยพระตถาคตแม้เพราะอัฏฐาว่าชั่งไม่ได้ไม่มีเลยด้วยประการชนี้ทรา์เครื่องปลื้มใจแม้นั้นใดชื่อว่ารัตนะเพราะอัฏฐาว่าเห็นได้ยากก็เหมือนกันทพท์เครื่องปลื้มใจนี้ก็คือความเป็นของปรากฏได้ยากได้แก่พระเจ้าจากกักรพรรดิ แลรัตนะเจ็ดประการของพระเจ้าจากักรพรรดนั้นรัตนะแม้นั้นที่เสมอด้วยพุทธรัตนะไม่มีก็หากว่าทรย์เครื่องปลื้มใจชื่อว่ารัตนะเพราะอัฏฐว่าเห็นได้ยากใสพระตถาคตเท่านั้นชื่อว่ารัตนะความเป็นรัตนะของพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นต้นจะเห็นได้ยากมาจต่ไหนเล่าจริงอยู่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 ผู้สามารถบรรลุพระอารหาันตเมื่อจบคาถาแม่สี่บทผู้มีย า, านัทนะทำลายกิเลสมีท่านพาหิยะทารุจิริยะเป็นต้นและของพระมหาสาวกทั้งหลายอื่นๆผู้เป็นบุตรของตระกูลใหญ่จริงอยู่เหล่าสัตว์ผู้ไม่ตามซามเหล่านั้นเมื่ อ, อยังทัศนานุตติยะสวนานุตติยะ และปาริจาริยานุตริยะเป็นต้นให้สำเร็จชื่อว่าบริโภคใช้สอยพระตถาคตรัตนะที่เสมอด้วยพระตถาคตแม้เพราะอัฏฐว่าเป็นเครื่องบริโภคของสัตว์ผู้เมตตามไม่มีเลยด้วยประการชนนี้ซั์เครื่องปลื้มใจแม้นันใดโดยไม่วิเศษชื่อว่ารัตนะเพราะอัฏฐว่าให้เกิดความยินดี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 เมื่อพระราชาเกิดจิตคิดจะเสด็จไปอีกจักรตนะก็กระทำเสียงโดยในยาก่อนนั่นแหลจึงลั่นไปฝ่ายบริษัทคือขบวนทัพขนาดสิบสองโยชน์ได้ยินเสียงนั้นก็พากันเหาะไปจักรตนะลงสู่มหาสมุทรทิศบุรพาโดยลำดับเมื่อจักรตนะนั้นลงสมุทรน้ำก็หดตัวไปประมาณโยดหนึ่ง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 จากรตระณะก็ไปในสมุดด้านทิศทักษิณทิศปัจจิมและทิศอุดอนโดยอุบายนี้นี่แหลจากรตนะะตระเวนไปตลอดสี่ทิศอย่างนี้แล้วก็ขึ้นสู่อากาศประมาณ300โยชน์พระราชาประทับยืนบนจักรตระะนั้นส่งพิชิตชัยชนะด้วยอนุภาพจากรตนะทะงตรวจดูจักรวานหนึ่งซึ่งประดับด้วยทวีปใหญ่สีทวีปและทวีปน้อยพันทวีป เหมือนสวนบัวบุนทิกที่บานเต็มที่แล้วอย่างนี้คือบุพภวิเทหทวีปประดับด้วยทวีปน้อยห0 0ทวีปมีป ร, ริมณฑลเจ0รโยธอุตรากูรุทวีปก็เหมือนกันมีป ร, ริมณฑลแป0พ0โยธอปราโคยานทวีปมีป ร, ริมณฑลเจ0รยโยธเหมือนกันและชมพูทวีปมีป ร, ริมณฑล น, น 1.000 โยธ พระเจ้าจากักรพรรดิพระองค์นั้นกําลังทรงตรวจดูอย่างนี้ก็ทรงเกิดความยินดีไม่ใช่น้อยเลยจากรัตนนั้นให้เกิดความยินดีแก่พระราชาแม้ด้วยอาการอย่างนี้จากรัตน์แม้นั้ น, น, นที่เสมอด้วยพุทธรัต น, น์หามีไม่ก็หากว่าชื่อว่ารัต น, น์เพราะอัฏฐว่าให้เกิดความยินดีไซพระตถาคตเท่านั้นชื่อว่ารัตน์น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 และปัจจมาชานความยินดีในอากาสารนัญจายตนะชานวิญญาณัญจายตนะชานอากินจัญญ า, าญตนะชานและเนวสัญญาณาสัญญาญตนะชานความยินดีในโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกะทาคามิมักสกะทาคามิผลอนาคามิมักอนาคามิผลอรหัตมักและอรหัตผลแก่เทวดาและมนุษย์ นับจำนวนไม่ได้ผู้รับสนองพระโอวาทของพระองค์ยิ่งกว่าปราณีตกว่าความยินดีแม้อันนั้นรัตนะเสมอด้วยพระตาคตแม้เพราะอัตถว่าให้เกิดความยินดีไม่มีด้วยประการชนนี้อันหนึ่งธรรมดารัตนะนี้มีสองอย่างคือสวิญญาณกะรัตนะและอวิญญาณกะรัตนะ์ ปันดารัตนะขั้งสองนั้นอวิญญาณการัตนะได้แก่จักรัตนะและมณีรัตนะก็หรือรัตนะแม้อื่นใดมีทองและเงินเป็นต้นที่เกี่ยวเนื่องด้วยอนินทรีสวิญญาณการัตนะได้แก่รัตนะมีหัตถิรัตนะเป็นต้นมีปริญญายกรัตนะเป็นที่สุดก็หรือว่ารัตนะแม้อื่นใดเห็นปานนั้นที่เกี่ยวเนื่องด้วยอินทรี เมื่อเป็นดังนั้นในรัตนะทั้งสองอย่างสวิญญาณกะรัตน์กล่าวกันว่าเป็นเลิศในข้อนี้เพราะเหตุไรเพราะเหตุว่ารัตน์มีทองเงินแก้วมณีแก้วมุกดาเป็นต้นถูกนําเข้าไปใช้เป็นเครื่องประดับของหัตถิรัตน์เป็นต้นที่เป็นสวิญญาณกะรัตนะแม้สวิญญาณกะรัตนะก็มีสองอย่าง คือรัตนะที่เป็นสัตว์เดรัจฉานและรัตนะที่เป็นมนุษย์บรรดาสวิญญาณกะรัตนะสองอย่างนั้นรัตนะที่เป็นมนุษย์กล่าวกันว่าเป็นเลิศเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่ารัตนะที่เป็นสัตว์เดรัจฉานย่อมเป็นพาหะของรัตนะที่เป็นมนุษย์แม้มนุษย์สารัตนะก็มีสองอย่างคืออิทธิรัตนะและปุริสารัตนะ บรรดามนุษยรัตนะทั้งสองนั้นปุริสาระนะัตน์กล่าวกันว่าเป็นเลิศเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าอิทธิรัตนะ์ต้องเป็นบริจาริกาของปุริสารัตนะ์แม้ปุริสารัตนะก็มีสองคืออคาริการัตนะ์และอนาคา ร, าริกนะรัตน์บรรดาปุริสารัตนะทั้งสองนั้น อ, อนาคาริการัตนะ์กล่าวกันว่าเป็นเลิศ เพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าในอาคาริกาัตนะแม้พระเจ้าจะกระพัดเป็นเลิศก็ยังไว้อนานคาริกาัตนะผู้กออปอนด้วยคุณมีศสียเป็นต้นด้วยเบญจางคประดิษฐ์บำรุงนั่งใกล้ประสบสมบัติที่เป็นทิพย์และมนุษย์บรรลุนิพพานสมบัติในที่สุดเมื่อเป็นดังนั้นแม้อนานคาริกาัตนะก็มีสองอย่าง อริยรัตนะและปุถุชนรัตนะแม่อริยรัตนะก็มีสองอย่างคือเสขรัตนะและอเสขรัตนะแม้อาเสขรัตนะก็มีสองอย่างคือสุขวิปัสสกรัตนะและสมถัยานิกรัตนะแม้สมถัยานิการัตนะก็มีสองอย่างคือที่บรรลุสาวกะ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 เพราะเหตุไรเพราะเหตุว่ามีคุณมากพระสาวกหลายร้อยแม้เช่นท่านพระสารีบุตรท่านพระโมคคัลลานะก็ม่ถึงแม้ส่วนร้อยแห่งคุณทั้งหลายของพระปัจเจ ก, กับพุทธเจ้าองค์เดียวสั ม, มาสัมพุทธรัตนะกล่าวกันว่าเป็นเลิศแม้กว่าปัจเจ ก, กพุทธรัตนะเพราะเหตุไร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 สัตว์ทั้งหลายไม่มีเท้าหรืออื่นๆเป็นต้นพระตถาคตกล่าวกันว่าเป็นเลิศแห่งสัตว์เหล่านั้นเป็นต้นรัตนะที่เสมอด้วยพระตถาคตไม่มีเลยโดยปริยายบางอย่างด้วยประการชนนี้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสวา่านโนสมังอัธิตถาคเตนะระตัตนะที่เสมอด้วยตถาคตไม่มีเลย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 มีศีลขันธ์และสมาธิขันธ์เป็นต้นในโลกที่มีอเวจีเป็นต้นมีภวะคพรมเป็นที่สุดจึงทรงประกอบสัจจะวัจนะว่าอิทามปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุแม้อันนี้ก็เป็นรัตนอันประณีในพระพุทธเจ้าด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีดังนี้ สัจจวัจนนั้นมีความดังนี้ว่าความที่พระพุทธเจ้าไม่มีใครเทียบได้ด้วยพระคุณทั้งหลายนั้นๆกับทรัพย์เครื่องปลื้มใจหรือรัตนะทุกอย่างที่มีในโลกนี้หรือโลกอื่นหรือในสวรรค์ทั้งหลายแม่อันนี้ชื่อว่าเป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าก็หากว่าข้อนี้เป็นสัจจะไซเมื่อเป็นดังนั้นด้วยสัจจะนี้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 หรือเพราะเหตุที่เมื่อบุคคลทำให้แจ้งพระนิพานนั้นแล้วกิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้นก็คลายออกไปสิ้นเชิงปราศจากไปถูกกำจัดไปฉะนั้นพระนิพานท่านจึงเรียกขยะว่าวิราคะแต่เพราะเหตุที่พระนิพานนั้นความเกิดไม่ปรากฏความเสื่อมไม่ปรากฏความที่จิตปลาบปลนไม่มี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 สำรอกกิเลสเป็นอมตะธรรมและธรรมะอันประณีตจึงทรงประกอบสัจจวัจนะว่าอิธรรมปิธรรมเมรัตนาปนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหนตุแม้อันนี้ก็เป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรมด้วยสัจจวัจนะนี้ขอความสวัสดีจงมีความของสัจจวัจนะนั้น พึงทราบตามในยะที่กล่าวมาแล้วในคาถาต้นนั่นแหลพวกอมนุษย์ในแสนโกฏกขวาลก็พากันยอมรับพุทธอาชญาแห่งพระคาถาแม้นี้แหละพันนนาคาถาว่ายัมพุทธเศษโถพระผู้มีพระภาคเจ้ารัตตสัจวัจนะด้วยคุณแห่งนิพพานธรรมอย่างนี้แล้ว บทนี้จึงทรงเริ่มตรัส ด, ด้วยพระคุณแห่งมรรคธ ร, รมว่ายมพุท ธ, ธเศธโถเป็นต้นในคํานั้นชื่อว่าพุท ธ, ธโดยในย่าเป็นต้นว่าตรัสรู้สัจจะทั้งหลายชื่อว่าเศ ธ, ธะเพราะเป็นผู้สูงสุดและควรสรรเสริญชื่อว่าพุท ธ, ธเศ ธ, ธะเพราะเป็นผู้ตรัสรู้เป็นผู้สูงสุดและควรสรรเสริญ อีกนัยยะหนึ่งชื่อว่าพุทธเศรษฐะเพราะเป็นผู้ประเสริฐสุดในพระพุทธทั้งหลายที่เรียกว่าอนุพุทธะปัจเจกพุทธะและสุตตพุทธะพระพุทธผู้ประเสริฐสุดพระองค์นั้นทรงชมสรนเสริญประกาศสมาธิทำใดไว้ในบาลีนั้นๆโดยนัยยะเป็นต้นว่ามักมีองค์8ปดประเสริฐสุดแห่งมักทั้งหลาย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 ความว่าบัณฑิต ท, ทั้งหลายกล่าวถึงสมาธิอันใดว่าอนันตริกะสมาธิสมาธิเกิดในลำดับเพราะอํานวยผลแน่นอนในลำดับการดําเนินการปฏิบัติของตนอันตรายใดๆที่ห้ามกันความเกิดผลแห่งอนันตริกะสมาธินั้นเมื่อสมาธิอันเป็นตัวมากเกิดขึ้นแล้วหามีไม่เหมือนอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่า กบุคคลนี้พึงเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโซดาปฏิพลและพึงเป็นเวลาที่กลับไม่กลับก็จะยังไม่พึงไม่ตราบเท่าที่บุคคลนี้ยังไม่ทำให้แจ้งโสดาปฏิพันธบุคคลผู้นี้เรียกว่าทิตตา ก, กับปีผู้ตั้งอยู่ตลอดกลับบุคคลผู้มีมรรกร่างพร้อมทั้งหมดก็เป็นทิตตกกับปีผู้ตั้งอยู่ตลอดกลับ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 มีประมาณเท่าใดอริยะมะมีองค์แปดกล่าวกันว่าเป็นเลิศกว่าสังคตาธรรมเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าครันตรัสความที่อ น, นันตาริกาสมาธิอันสมาธิอื่นๆเทียบไม่ได้อย่างนี้แล้วบัดนี้ทรงอาศัยความที่รัตนะคือมรรคธรรมอันรัตนะอื่นไม่เทียบได้โดยนัยะก่อนนั่นแหลจึงทรงประกอบสัจจวจนะว่า อิทมปิรรมเมจนถึงสุวัติโหนตุแม้อันนี้ก็เป็นรัตนะอันพระนีตในพระธรรมขอความสวัสดีจงมีความของสัจจะวั จ, จนะนั้นพึงทราบโดยนัยยะที่กล่าวมาก่อนแล้วนั่นแหลพวกอมนุษย์ในแสนโกรจักรวาลพากันยอมรับพุทธอาชญาแห่งพระคาถานี้แหล พันนาค า, าถาว่าเยปุคลาพระผู้มีพระภาคเจ้าครันตรัดสัจจะวจนะแม้ด้วยคุณแห่งมรรคธรรมอย่างนี้แล้วบัดนี้จึงทรงเริ่มตรัสแม้ด้วยสังคคคุณว่าเยปุคลาเป็นต้นในคานั้นสั์ว่าเยเป็นนิเทศไม่แน่นอนบทว่าปุคลาได้แก่สัตว์ทั้งหลายสัท์ว่า สัทธาเป็นการกำหนดจำนวนสัตว์เหล่านั้นจริงอยู่สัตว์เหล่านั้นมีแปดคือผู้ปฏิบัติมรรคสี่ผู้ตั้งอยู่ในผลสี่บทว่าสัตตังประสัทธาได้แก่อันสัตบุรุษคือพระพุทธเจ้าพระปเจกพุทธเจ้าและพระสาวกและเทวดาและมนุษย์เหล่าอื่นสรรเสริญแล้วเพราะเหตุไร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 เป็นที่รักที่ต้องใจน่าสรรเสริญของเทวนาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเยปุขลาอัธธาตตัสตังปรสสัทธาอีกในยะหนึ่งสับว่าเยเป็นนิเทศไม่แน่นอนบทว่าปุขลาได้แก่สัตว์ทั้งหลายสับว่าอัธธาตตสตังเป็นการกำหนดจำนวนสัตว์เหล่านั้น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 พระอนาคามีในเทพชั้นอวิหามีห้าพวกคืออันตราปริณิพายีอุปาหจัปปริณิพายี ส, สังขาราปริณิพายีอสังขาราปริณิพายีอุทังโสโตอกนิถคามีพระอนาคามีในเทพชั้นอตตปาสุทัสสาสุทสัสสีก็มีชั้นละห้าพวกเหมือนกันส่วนในเทพชั้นอากานิถะ มีสี่พวกเว้นอุทังโศโตรวมพระอนาคามีมี24สิสี่พวกพระอาหารหันต์มีสองพวกคือสุขวิปัสสกะและสมถยานิกพระอาริยบุคคลผู้ตั้งอยู่ในมรรคมีสี่พวกรวมเป็นพระอาริยบุคคลห้าสิบสี่พวกพระอาริยบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดคูณด้วยสองพวก คือฝ่ายศรัทธาธุระและฝ่ายปัญญาธุระรวมเป็นหนึ่งร้อยแปดพวกคำที่เหลือมีในยะที่กล่าวมาแล้วทั้งนั้นบทว่าจัดตาริเอตานิยุคานิโหนติความว่าบุคคลที่ทรงยกอุเทศไว้โดยพิสดารว่าพระอริยบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดมีแปดพวกก็ดีร้อยแปดพวกก็ดี ว่าโดยสังเขต พ, พระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปติมักพระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปติผลรวมเป็นหนึ่งคู่อย่างนี้จนถึงพระผู้ตั้งอยู่ในอารหาัตมักพระผู้ตั้งอยู่ในอารหัตผล ร, รวมเป็นหนึ่งคู่รวมทั้งหมดเป็นสีค่คู่สับวะเตในบทว่าเตทคัคขีเนยยาเป็นสับนิเทศอธิบายกำหนดแน่นอน ซึ่งบทอุเทศที่ยกตั้งไว้ไม่แน่นอนบุคคลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้พิสดารว่ามีแปดพวกหรือหนึ่งร้อยแปดพวกสังเขตว่ามีสีคู่แม้ทั้งหมดย่อมควรทักษินาเหตุนั้นจึงชื่อว่าทักษินเนยะทยธรรมที่บุคคลเชื่อกรรมและผลแห่งกรรมไม่คำนึงถึงว่า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 บทว่าสุขัสตสสาวกาความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าสุขศเพราะทรงประกอบด้วยการเสด็จไปงดงามเพราะเสด็จไปสู่สถานที่อันงามเพราะเสด็จไปด้วยดีและเพราะตรัส ด, ดีเป็นสาวกของพระสุขตพระองค์นั้นท่านเหล่านั้นทั้งหมดชื่อว่าสาวกเพราะฟังพระดํารัสคนอื่นๆ ถึงฟังก็จริงถึงเช่นนั้นเขาฟังแล้วก็ไม่ทํากิจที่ควรทําส่วนท่านที่เป็นสาวกเหล่านี้ฟังแล้วทํากิจที่ควรทําปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำรรบรรลุมากผลเพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้จึงตรัสเรียกว่าสาวกบทว่าเอเตสุทินานิมหาภลานิความว่า ทั้งหลายแม้เล็กน้อยที่ถวายในสาวกของพระตถาคตเหล่านั้นชื่อว่ามีผลมากเพราะเป็นทานที่เข้าถึงความเป็นทักษิณาบริสุทธ์ฝ่ายปฏิคาหกเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้แม้ในสูตรอื่นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสงคือคณะมีประมาณเพียงใดคือสงสาวกของพระตถาคต กล่าวกันว่าเป็นเลิศของสงฆ์คณะเหล่านั้นคือสงฆ์สี่คู่แปดบุคคลนี่สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นวิบากอันเลิศพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสคุณของสังฆารัตนะโดยพระผู้ตั้งอยู่ในมรรคพระผู้ตั้งอยู่ในผลทั้งหมดอย่างนี้แล้วบัดนี้สงอาศัยคุณนั้นนั่นแหละจึงทรงประกอบสัจจวจนะว่า อิทัมปิสังเครัตนางปรีตังแม้อันนี้ก็เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ความของสัจจวัชนนั้นก็พึงทราบตามในยะที่กล่าวมาก่อนนั่นแหละพวกอมนุษย์ในแสนโกรกับภากันยอมรับพุทธอาชญาแห่งพระคาถาแม้นี้แหละพันานาคาถาว่าเยสุปยุตตา พระผู้มีพระภาคเจ้ากรันตรสัสเจาวัจนะด้วยคุณของสังขารัตนะโดยพระผู้ตั้งอยู่ในมรรคและพระผู้ตั้งอยู่ในผลอย่างนี้แล้วบัดนี้จึงเริ่มตรัส ด, ด้วยคุณของพระกี่นาสวับุคคลทั้งหลายผู้สวยสุขในพระสมาบทบางเหล่าเท่านั้นว่าเยสุปยุตตาเป็นต้นในคำนั้นคำว่าเยเป็นคำอุทิศที่ไม่แน่นอนบทว่าสุปยุตตา แปล ว, ว่าประกอบดีแล้วอธิบายว่าละอนเนสนาการสแสวงหาที่ไม่สมควรหลายอย่างเสียแล้วอาศัยการเลี้ยงชีวิตที่บริสุทธิ์เริ่มประกอบตนไวในวิปัสสนาอีกนัยะหนึ่งบทว่าสุปยุตตาได้แก่ประกอบด้วยกายประโยคและ ว, วจีประโยคอันหมดจดดีทรงแสดงศิลขันธ์ของพระขีณาสวะบุคคลเหล่านั้น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 ได้แก่เป็นผู้ไม่อาลัยในกายและชีวิตมีความพยายามออกจากกิเลสทั้งปวงอันผู้มีปัญญาเป็นธุระกระทมแล้วด้วยความเพียรทรงแสดงปัญญาขันธ์ที่ประกอบด้วยความเพียรของพระขีนาสวะบุคคลเหล่านั้นด้วยบทว่านิกามิโนนั้นบทว่าโคตมะศาสนาหิได้แก่ในศาสนาของพระตถาคตผู้มีพระนามวโคดม โดยพระโคดนั่นแหละด้วยบทว่าโคตมะศาสนาหินั้นทรงแสดงว่าพวกคนนอกศาสนานี้ผู้ทาตะบะเพื่อเทพเจ้าแม้มีประการต่างๆก็ไม่มีความพยายามออกจากกิเลส ท, ทั้งหลายเพราะไม่มีคุณคือความประกอบอย่างดีเป็นต้นคำว่าเต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 ชื่อว่าไร้ความอาลัยเพราะถึงพร้อมด้วยปัญญาชนเหล่านั้นก็เข้าถึงอมะตะด้วยสัมมาปฏิบัตินี้เป็นผู้ได้ปลอบเปล่าเสวยความดับซึ่งเข้าใจได้ว่าพระสมาบัตชื่อว่าเป็นผู้บรรลุคุณที่ควรบรรลุพระผู้มีพระภาคเจ้ารันตรัสคุณของสังฆารัตนะโดยพระขีณาสว่าบุคคล ผู้เสวยพระลาสมาบัตอย่างนี้แล้วบัตดนี้ทรงอาศัยคุณนั้นนั่นแหละจึงทรงประกอบสัจจวจนะว่าอิทามปิสังเครัตนะงปณีตังแม้อันนี้ก็เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ความแห่งสัจจวจนะนั้นพึงทราบตามเนยยะที่กล่าวก่อนแล้วพวกอมนุษย์ในสารกฎจักรวาล ก็พากันยอมรับพุทธอาชญาแห่งพระคาถาแม้นี้แหละพนนาคาถาว่ายะทินทขีโลพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสสัจจะวจนะมีสังครรตนะเป็นที่ตั้งโดยขีนาสวะบุคคลอย่างนี้แล้วทรงเริ่มตรัสโดยคุณของพระโสดาบันท่อนนั้นว่า ยถินทขีโลเป็นต้นในคำนั้นบทว่ายถาเป็นคำอุปมาคำว่าอินทขีโลนี้เป็นชื่อของเสาไม้แก่นที่เขาตอกจมดินแปดสอกหรือสิบสอกภายในธรณีประตูเพื่อป้องกันประตูพระนครบทว่าปัตทวิงแปลว่าแผ่นดิน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 เหมือนฉันนั้นบทว่าสัพุริสังได้แก่บุรุษสูงสุดบทว่าวัธ า, ามิแปลว่ากล่าวบทว่าอยู่อริยสัจจานิอเวจจ์ปสติแปลว่าผู้ใดอย่างเห็นอริยสัจสี่ด้วยปัญญาในข้อนั้นอริยสัจ ท, ทั้งหลายพึงทราบตามในยยะที่กล่าวไว้แล้วในกุมารปัญหา และคำภีวิสุทธิมที่ักนั่นแลส่วนความสังเขปในข้อนี้มีดังนี้เหมือนอย่างว่าเสาเขื่อนจมติดดินเพราะมีรากลึกลมพัดมาสีทิศก็พึงให้ไหวไม่ได้ฉันใดสัตว์บุรุษใดอย่างเห็นอริยสัตว์เรากล่าวสัตว์บุรุษแม้นี้อุปมาฉันนั้นเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าสัตว์บุรุษแม้นั้น เป็นผู้อันลมคือวาทะของดีรทีทั้งปวงทำให้ไหวไม่ได้คือใครๆก็ไม่อาจให้ไหวหรือเขยื่อนจากทัศนะนั้นได้เหมือนเสาเขื่อนอันลมพัดมาสีทิศทำให้ไหวไม่ได้ฉะนั้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้แม้ในโสดภอื่นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเสาเหล็กหรือเสาเขื่อนลงรากลึก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 ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งย่อมรู้ความเป็นจริงว่านี้ทุกข์จนถึงนี้ทุกขานิโรธคามิมีปฏิปทาสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่ตรวจดูหน้าของสมณะหรือพราหมณ์อื่นว่าท่านเมื่อรู้ก็ ร, กรู้เมื่อเห็นก็เห็นอย่างนี้แน่นอนข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะอาริยสัจ ส, สี่สมณะหรือพร์ผู้นั้นเห็นอย่างดีแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันพระผู้มีพระภาคเจ้าครันตรัสคุณของสังขารตนะโดยอำนาจของพระโสดาบันที่ประจักษ์แก่คนเป็นอันมากเท่านั้นอย่างนี้แล้วบัดนี้ทรงอาศัยคุณนั้นนั่นแหละจึงทรงประกอบสัจจะวัจนะว่าอิทัมปิสังเครตนังปณีตัง แม้อันนี้ก็เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ความของสัจจาวัจนะนั้นพึงทราบตามในยะที่กล่าวมาก่อนแล้วนั่นแหละพวกอมนุษย์ในแสนโกตจักรวาลก็พากันยอมรับพุทธอาชญาแห่งพระคถ า, าแม่นี้แหละพันนาคาถาว่าเยอริยสัจจานิ พระผู้มีพระภาคเจ้ากรันตรัสสัจจวัจนะอันมีสังฆารัตนะเป็นที่ตั้งด้วยคุณของพระโสดาบันโดยไม่ปลกันอย่างนี้แล้วบัด น, นี้จึงทรงเริ่มตรัสว่าเยอริยสัจจานิเป็นต้นด้วยคุณของพระโสดาบันสตักขัดตุ ป, ประมะน้องน้อยของพระโสดาบันทั้งหมดบรรดาพระโสดาบันสามประเภทคือเอกพิชีโกลังโกละ สัตตะขัดตุป a r ะมะเหมือนที่ตรัสไว้ว่าบุคคลบางคนในพระศาสนานี้ย่อมชื่อว่าโสดาบันเพราะสิ้นสั่งยศสามโสดาบันนั้นบังเกิดพบเดียวเท่านั้นก็ทำที่สุดทุกข์นี้ชื่อเอกภพิชีโสดาบันท่องเที่ยวอยู่สองหรือสามตระกูลก็เหมือนกันย่อมทำที่สุดทุกข์ได้นี้ชื่อโกลังโกละ โสดาบันยังวินว่ายตายเกิดอยู่ในเทวดาและมนุษย์เจ็ดครั้งก็เหมือนกันยอมทำที่สุดทุกได้นี้ชื่อสัตตคัตตุประมะในคำนั้นคำว่าเยอริยาสัจจานินี้มีในยะที่กล่าวมาแล้วทั้งนั้นบทว่าวิภายะยันติได้แก่กำจัดความมืดคือกิเลสอันปกปิดสัจจะแล้ว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 บทว่าสุเทสิตานี้ได้แก่ทรงแสดงด้วยดีด้วยนัยนั้นๆมีสมาสัยยะอพยสัยยะสากันและนัยยะเวกันย์นัยยะเป็นต้นบทว่ากินจาปิเตโหนติผู้สัปปมตาความว่าบุคคลทั้งหลายผู้อบรมอริยสัตว์แล้วเหล่านั้นอาศัยฐานะแห่งความประมาท มีความเป็นเทวราชและความเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเป็นต้นเป็นผู้ประมาทอย่างร้ายแรงก็จริงถึงเช่นนั้นนามรูปใดพึงตั้งอยู่เพราะวิญญาณที่โสดาปฏิมัคคยานปรุงแต่งดับไปแล้วเกิดในสังสารวัตรที่มีเบื้องต้นเบื้องปลายตามไปไม่รู้แล้วถึงเจ็ดภพก็มีถือเอาภพที่แปดเพราะนามรูปนั้นดับไปเพราะตั้งอยู่ไม่ได้ แต่ในภพที่เจ็ดนั่นเองก็จะเริ่มวิปัสสนาและบรรลุพระอรหันต์พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสคุณของสังฆรัตนะโดยพระโสดาบันสักตักขัตตุปรม a อย่างนี้แล้วบัดนี้ทรงอาศัยคุณนั้นนั่นแหละจึงทรงประกอบสัจจวัจนะว่าอิทรมปีสังเครัตนงปณีตัง แม้อันนี้ก็เป็นรัตนะอันประนีตในพระสงฆ์ความของสัจจวัจนะนั้นพึงทราบตามในยาที่กล่าวมาก่อนแล้วนั่นแหลพวกอมนุษย์ในแสนโกศจักรวาลก็พากันยอมรับพุทธอาชญาแห่งพระกาานี้แหละพันานาคาถาว่าสหาวัศะ พระผู้มีพระภาคเจ้าครันตรลัตสัจจวัจนะมีสังขารัตนะเป็นที่ตั้งด้วยคุณคือการไม่ถือเอาภพที่แปดของพระโสดาบันสัตตะขัตตุปรมะอย่างนี้แล้วบัดนี้จึงเริ่มตรัสว่าสหาวัสะเป็นต้นด้วยคุณของพระโสดาบันสัตตะขัตตุปรมะนั้นนั่นแลแม้จะถือภพเจ็ดภพซึ่งแปลกจากบุคคลอื่นๆที่ยังละการถือภพไม่ได้ ในคำนั้นบทว่าสหาวะแปลว่าพร้อมกับบทว่าอัฏสะได้แก่ของบรรดาพระโสดาบันที่ตรัสว่าพระโสดาบันเหล่านั้นไม่ถือเอาพพที่แปดพบใดพพหนึ่งบทว่าทัศนสัมปทายะได้แก่ด้วยความถึงพร้อมแห่งโสดาปฏิมัติจริงอยู่โสดาปฏิมัติ เห็นพระนิพพานแล้วท่านจึงเรียกว่าทัศนะเพราะเห็นพระนิพพานก่อนธรรมะทั้งปวงด้วยความถึงพร้อมแห่งกิจที่ควรทำความปรากฏแห่งโสดาปติมักนั้นอยู่ในตนชื่อว่าทัศนสัมปทาพร้อมด้วยทัศนสัมปทานนั้นนั่นแหละศัพทาสุในคํำว่าตัดยสุธรรมาจะหิตาภวันตินี้เป็นนิบาศ ลงในอัฏฐสักว่าธรรมบทให้เต็มเหมือนในประโยคเป็นต้นว่าอีทางสุเมสารีปุตตะมหาวิกตะโภชนะสิงโหติดูก่อนสารีบุตรนี่แหละเป็นการฉันอาหารแบบมหาวิกัตของเราหละ่ะในข้อนี้มีความอย่างนี้ว่ารอยเหตุว่าธรรมดาสังยวดเบื้องต่ำสามย่อมเป็นอันพระโสดาบันละได้แล้ว เป็นอันสละแล้วพร้อมด้วยทัศนสัมปทาของพระโสดาบันนั้นบัดนี้เพื่อส่งแสดงธรรมะที่พระโสดาบันละได้แล้วจึงตรัสว่าสกยายะทิฏฐิวิจิกิจิตันจ่าสิลปะตังวาปิญทัิทิกินจิในธรรมะสามอย่างนั้นเมื่อกายยังมีอยู่ทิฏฐิมีวัตถุยี่สิบในกายที่เรียกว่า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 ปัญญาท่านเรียกว่าจิกิจจิตะเพราะระงับพยาธิคือกิเลสทั้งปวงปัญญาจิกิจจิตะปัญญาแก้ไขนั้นไปปราดแล้วจากสิ่งนี้หรือสิ่งนี้ไปปราดแล้วจากปัญญาจิกิจจิตะนั้นเหตุนั้นจึงชื่อว่าวิจิกิจชิตะคำนี้เป็นชื่อของความสงสัยที่มีวัตถุแปด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 ละ ว, วัดมีโควัดและกุคราวัดเป็นต้นที่มาในบาลีประเทศเป็นต้นอย่างนี้ว่าสมณพราหมณ์ภายนอกพระศาสนานี้ถือความบริสุทธ์ด้วยศีลบริสุทธ์ด้วยวัดเรียกว่าศีละวัดตะบะเพื่อเท พ, พเจ้ามีความเปลือยกายเป็นต้นแม้ทุกอย่างเป็นอันละได้แล้วก็เพราะละศีละวัฏนั้นจริงอยู่ศีลวัฏนั้น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 ศิลปตาปรามาจะละได้ก็ด้วยความถึงพร้อมด้วยการเห็นมักและการเห็นพระ น, นิพพานพนนาคถาว่าจะตัหะปาเยหิพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงการละกิเลสวรรัตรของพระโสดาบันนั้นอย่างนี้แล้ว บันนี้เมื่อกิเลสวัฏนั้นมีอยู่วิปากวัฏใดพึงมีเมื่อทรงแสดงการละวิปากวัฏแม้นั้นเพราะละกิเลสวัฏนั้นได้จึงตรัสว่าจตุหปาเยีจะจวิปมุตโตในคำนั้นชื่อว่าอบายมีสีคือนิระยะหรือนรกติรชานะเดรชานเปตะติวิสยะหรือเปรษ และอสุรกายณะอสุรกายอธิบายว่าพระโสดาบันนั้นแม้ยังถือภพเจ็ดก็หลุดพ้นจากอบายทั้งสี่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารันทร ง, งแสดงการละวิปากวัฏของพระโสดาบาันนั้นอย่างนี้แล้วบัดนี้กรรมวัฏใดเป็นหมูลราของวิปากวัฏนี้เมื่อทรงแสดงการละกรรมวัฏแม้นั้น จึงตรัสว่าจะจาพิธานานิอภพโภกาตุงแปลว่าและไม่ควรทำอภิธานะหกในคำนั้นบดว่าอภิธานานิได้แก่ฐานะอันหยาบพระโสดาบันนั้นไม่ควรทำอภิฐานะนั้นก็อภิธานะเหล่านั้นพึงทราบว่ากรรม คือมาตุคาตฆ่ามานดาปิตุคาตฆ่าบิดาอารหันตฆาตฆ่าพระอรหันตโลหิตตุ บ, บาททำโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห่อสังฆเพศทำสงให้แตกกันอนยาสัตธารุเทศนับถือศาสนาอื่นคือเขารีดซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในเอการนิบาตอังคุตระนิกาย โดยนัยะเป็นต้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือสัมมาทิฏฐิจะพึงปลงชีวิตมารดานั้นไม่เป็นฐานะไม่เป็นโอกาสคือเป็นไปไม่ได้จริงอยู่อริยาสาวกพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่พึงปลงชีวิตแม้แต่มดดำมดแดงก็จริงถึงอย่างนั้น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 บัดนี้ทรงอาศัยคุนนั้นนั่นแหลจึงทรงประกอบสัจจวัจนะว่าอิธรมปิสังเครตนังปณนีตังแม้อันนี้ก็เป็นรัตนะอันปราณีในพระสงฆ์นั้นความของสัจจวัจนะนั้นพึงทราบโดยในยะที่กล่าวมาก่อนแล้วนั่นแหลพวกอมนุษย์ในแสนโกฏิจักรวาลก็พากันยอมรับพุทธอาชียาแห่งพระกาถานี้แล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 แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตดังนี้ย่อมทําบาปกรรมอย่างอื่นทางกายซึ่งพระพุทธเจ้าทรงรังเกียจกล่าวคือการล่วงละเมิดสิกขาบทที่เป็นปนัตติวัชชะมีกุติการะศิกขาบทและสหเสยยาสิกขาบทเป็นต้นก็ดีทำบาปกรรมทางวาจามีสอนธรรมะแก่อนุปสัมบัณว่าพร้อมกัน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 เพราะเหตุว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงความที่พระโสดาบันผู้เห็นบทคือพระนิพพานแล้วไม่ควรปกปิดบาปกรรมอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงความที่บุคคลผู้เห็นบทคือพระนิพพานพูดถึงพร้อมด้วยทัศนะไม่ควรที่จะทำบาปกรรมแม้เห็นปานนั้นแล้วปกปิดบาปกรรมนั้นไว้ตรัสไว้อย่างไร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 บัดนี้ทรงอาศัยคุณนั้นนั่นแหละจึงทรงประกอบสัจจกวจนะว่าอิธัมปีสังเครัตนาปนีตังแม้อันนี้ก็เป็นรัตนะอันประณีในพระสงฆ์ความของสัจจกวจนะนั้นพึงทราบตามในยาที่กล่าวมาก่อนแล้วทั้งนั้นพวกอนมนุษย์ในแสนโกจกวาลก็พากันยอมรับพุทธอาชญาแห่งพระคาถานี้แล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 ก็ทรงแสดงอย่างสังเขปในที่นี้และทรงแสดงไว้พิสดารในที่อื่นจึงทรงเริ่มตรัสสัจจวัฒนะมีพระพุทธรัตนะเป็นที่ตั้งอีกว่าวั น, นับปรคุมเฮยะถาพุทสิตะเคในสัจจวัฒนะนั้นกลุ่มต้นไม้ที่กำหนดด้วยถิ่นที่อยู่ประจำอันใกล้ชื่อว่าวนณะคือป่า พุ่มไม้ที่งอกงามด้วยรากแก่นกระพีเหลือ ก, กิ่งและใบชื่อว่าปะคุมภะพุ่มไม้ที่งอกงามของป่าหรือในป่าชื่อว่าวันับปคุมโพพุ่มไม้ที่งอกงามในป่านี้นั้นท่านเรียกว่าวันนับปะคุมเพเมื่อเป็นดังนี้ก็เรียกได้ว่าวันนสันทะคือราวป่า เหมือนในประโยคเป็นต้นว่าอธิสวิตกกะกะกษสวิจารเรอธิอวิต ก, กะวิจาระมะเตสุเคทุกเเชีเวมีวิตกมีวิจารก็มีไม่มีวิตกมีวิจารก็มีชีพเป็นสุขเป็นทุกข์คำว่ายถาเป็นคาอุปมายอดของพุ่มไม้นั้นบานแล้วเหตุนั้นพุ่มไม้นั้น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 ถ้าจะถามว่าในเดือนไหนตอบว่าในฤดูคีมหันเดือนต้นอธิบายว่าในเดือนจิตธรมาตเดือนห้าจริงอยู่เดือนจิตธรมาตนั้นท่านเรียกว่าเดือนต้นฤดูคิมหันแล้วว่าฤดูวัสานะอ่อนๆคำนอกจากนั้นปรากฏชัดโดยอัฏฐะแห่งบทลาวทั้งนั้นส่วนความรวมในคำนี้มีดังนี้ว่า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 ชื่อว่าให้ถึงพระนิพพานเพราะแสดงมักอันให้ถึงพระนิพพานเพื่อเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่สัตว์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันส่วนในคำว่าปารมังหิตายะท่านลงนิขหิตก็เพื่อสะดวกแก่การผูกคาถาส่วนความมีดังนี้ว่าได้ทรงแสดงเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งคือเพื่อพระนิพพาน พระผู้มีพระภาคเจ้าครันตรัสพระปริยัติธรรมที่เสมือนพุ่มไม้งามในปา่าที่ยอดกิ่งออกดอกบานสะพรั่งอย่างนี้แล้วบัดนี้ทรงอาศัยพระปริยัติธรรมนั้นนั่นแหละจึงทรงประกอบสัจจะวัจนะที่มีพุทธรัตนะเป็นที่ตั้งว่าอิธรรมปิพุทเทรตนังปณีตังแม้อันนี้ก็เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้า ความแห่งสัจจวัจนนั้นพึงทราบตามในยยะที่กล่าวมาก่อนแล้วนั่นแลแต่พึงประกอบความอย่างเดียวอย่างนี้ว่าคุณชาติกล่าวคือพระปริยติธรรมมีประการตามที่กล่าวมาแล้วแม้นี้ก็เป็นรัตนอันปราณีในพระพุทธเจ้าผู้มนุษย์ในแสนโกศจั ก, กรวาลก็พากันยอมรับพุทธอาชญาแห่งพระคาถานี้แล พันนาคาถาว่าวาโรวรันยูพระผู้มีพระภาคเจ้าครันตรสัจจะวจนะที่มีพุทธรัตนเป็นที่ตั้งด้วยปริยัติธรรมอย่างนี้แล้วบัดนี้จึงทรงเริ่มตรัสด้วยโลกุตระธรรมว่าวาโรวรันยูในคำนั้นบทว่าวาโรความว่า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 เพระ อ, อัฏฐาวาสูงสุดกว่าธรรมะทั้งปวงก็พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสรู้ปลุกโรงซึ่งพระนิพพานนั้นที่โคนโพธิพฤกษ์ด้วยพระองค์เองบทว่าวารโธความว่าประธานธรรมะอันประเสริฐ ท, ที่เป็นส่วนตรัสรู้และส่วนที่อบรมบ่มบารมีแก่สาวกทั้งหลายมีพระปัญจวัคคีพระพัทธวัคคีราชดินเป็นต้น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 เพราะประธานวิมุตติสุกแกสัตว์ทั้งหลายชื่อว่าวราหโรผู้นำมาซึ่งมักอันประเสริฐเพราะทรงนำมาซึ่งปฏิปทาสูงสุดชื่อว่าอนุตรโรยอดเยี่ยมเพราะไม่มีคุณอะไรอะไรที่ยิ่งกว่าโล ก, กุตระคุณเหล่านั้นมีในย่าอื่นอีกว่าชื่อว่าวรโรเพราะส่งบริบูรณ์ด้วยอธิธานธรรมคืออุปสมะ ความสงบระ ง, งับชื่อว่าวรันยูเพราะทรงบริบูรณ์ด้วยอธิฐา น, นธรรมคือปัญญาความรอบรู้ชื่อว่าวรโทเพราะทรงบริบูรณ์ด้วยอธิฐา น, นธรรมคือจาคะความสละชื่อว่าวราหโรเพราะทรงบริบูรณ์ด้วยอธิฐา น, นธรรมคือสัจจะความจริงใจทรงนํามาซึ่งมักอันประเสริฐ อันหนึ่งชื่อว่าวโรเพราะทรงอาศัยบุญชื่อว่าวรันยูก็เพราะทรงอาศัยบุญชื่อว่าวราโธเพราะทรงมอบอุบายแห่งบุญนั้นแก่ผู้ต้องการเป็นพระพุทธเจ้าชื่อว่าวราหารโเพราะทรงนำมาซึ่งอุบายแห่งบุญนั้นแก่ผู้ต้องการเป็นพระปรัจเจกพุทธเจ้าชื่อว่าอนุตรโร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 ครั้นตรัสคุณของพระองค์ด้วยโลกุตระธรรม9ก้าประการอย่างนี้แล้วบัด น, นี้ทรงอาศัยคุณนั้นนั่นแหลจึงทรงประกอบสัจจวจนะว่าอิทรัรมปิพุทเทเป็นตน้นความของสัจจวจนะนั้นพึงทราบตามนัยยะที่กล่าวมาก่อนแล้วนั่นแต่พึงประกอบความอย่างเดียวอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ตรัสรู้โลกุตรธรรมอันประเสริฐได้ด้วย ได้ประทานโลกุตรธรรมได้ด้วยทรงนำมาซึ่งโลกุตรธรรมได้ด้วยทรงแสดงโลกุตรธรรมได้ด้วยแม้อันนี้ก็เป็นรัตนอันประณีตในพระพุทธเจ้าพวกอมนุษย์ในสนากกรโกจกวาลก็พากันยอมรับพุทธอาชียาแห่งพระคาถานี้แหลพันานาคาถาว่าขีนัง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 มีสังฆรัตนเป็นที่ตั้งอีกว่าขีนังปุรานังในสัจจวัจนนั้นบทว่าขีนางได้แก่ตัดขาดบทว่าปุรานังแปละว่าเก่าบทว่านวังได้แก่ในบัดนี้ที่กำลังเป็นไปคือปัจจุบันบทว่านัตถิสัมภวังได้แก่ความปรากฏคือเกิดไม่มี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 ได้แก่ผู้มีพืชถูกถอนแล้วบทว่าอาวิรุณหิชันทาได้แก่ผู้เว้นจากชันทะที่งอกได้นิพพันติได้แก่สิ้นไปบทว่าทีราได้แก่ผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาชื่อทิติบทว่ายถายัมปทีโตแปลว่าเหมือนประทีปดวงนี้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 อันหนึ่งภิกษุขีณาศพเหล่าใดมีจิตไหนแล้วในภพต่อไปเพราะละตัญหาได้นั่นแหละภิกษุขีณาศพเหล่านั้นชื่อว่ามีพืชสิ้นแล้วเพราะปฏิสนธิวิญญาณที่ท่านกล่าวไว้ในคำนี้ว่ากรรมคือนาวิญญาณคือพืชสิ้นไปเพราะสิ้นกรรมนั่นเองสันญาณแม้อันใดของความเกิดกล่าวคือพบใหม่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 พระผู้มีพระภาคเจ้าครันตรัสคุณคือการบรรลุอนุปาตติเศ ส, สนิพานของพระขีณาสกที่สดับปริยติธรรมที่ตรัรรส ด, ด้วยสองคาถาก่อนนั้นทั้งปฏิบัติตามแนวปริยติธรรมที่สดับแล้วบรรลุโลกุตระธรรมทั้งเก้าประการอย่างนี้แล้วบัดนี้ทรงอาศัยคุณนั้นนั่นแหละเมื่อทรงประกอบสัจจะวจนะมีสังขารตนะเป็นที่ตั้งจึงทรงจบเทศนาว่า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 จบเทศนาความสวัสดีก็ได้มีแกราชสกุลอุปัตถวทั้งปวงก็ระงับไปสัตว์8 4ด0มสี่พันก็ได้ตรัสรู้ธรรมพันน า, นาสามคาถาว่ายานีทะเป็นต้นครั้งนั้นเท้าสักกะเทวราชทรงพระดำริว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงอาศัยคุณพระรันตนไรประกอบสัจวจนะทรงทำความสวัสดีแก่ชาวนครแม้ตัวเราก็พึงกล่าวบางอย่างอาศัยคุณพระรันตนไรเพื่อความสวัสดีแก่ชาวนครดังนี้แล้วจึงตรัสสามคาถาท้ายว่าอย่านีทะภูตานิเป็นต้นในสามคาถานั้นเพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าตถาคต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 บูชายอย่างเลิศเกินด้วยดอกไม้และของหอมเป็นต้นที่เกิดภายนอกเป็นอุปกรณ์และที่เกิดในตนมีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นต้นฉะนั้นเท้าสกกะเทวราชทรงประมวลเทวบริษัททั้งหมดกับพระองค์แล้วตรัสว่าตถาคตังเทวนุสสะปูชิตังพุทธังนัมมัสสามะสุวัติโหตุ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 ท้าสักกะเทวราชจึงตรัสว่าพวกเรานอบน้อมตถาคตรธรรมขอความสวัสดีจงมีพวกเรานอบน้อมตถาคตสงขอความสวัสดีจงมีดังนี้คำที่เหลือมีในยะที่กล่าวมาแล้วทั้งนั้นเท้าสักกะเทวราชครั้นตรัสสามคาถาอย่างนี้แล้วทรงทำประทักษิณพระผู้มีพระภาคเจ้า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 พวกภูมมะเทวดาพากันคิดว่าพวกมนุษย์และนาคพากันทำสักการะแก่พระตถาคตพวกเราจะไม่ทำกันบ้างหรือจึงช่วยกันยกชัดใหญ่น้อยเหนือพุ่มไม้งามในปา่าต้นไม้และภูเขาโดยอุบายนั้นนั่นแหลสักการะวิเศษขนาดใหญ่ก็บังเกิดตราบถึงพบของอากะนิทะพรมแม้พระเจ้าพิมพิสารก็ได้ทรงทาเป็นทวีคูณ กว่าสการาที่พวกเจ้าฤิชวีทรงทำครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาทรงนำเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าห้าวันจึงมาถึงกรุงราชครื้โดยในยะที่กล่าวมาก่อนแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงกรุงราชครื้แล้วภายหลังชันอาหารพวกภิกษุที่นั่งประชุมกันณนศาล า, าทรงกลมพูดในระหว่างกันอย่างนี้ว่า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 อมีสหายเป็นพราหมณ์ชื่อโน้นพ่อจงไปหาเขาเล่าเรียนเถิดแล้วมอบทรัพย์ให้พันกหาปณะสนะุสีมานมนบนั้นรับทรัพย์แล้วก็กราบมารดาบิดาเดินทางไปกรุงพารณสีโดยลําดับเข้าไปหาอาจารย์โดยวิธีประกอบด้วยความละเมียดละไมกราบแล้วรายงานตัวอาจารย์รู้ว่าเป็นลูกของสหายก็รับมานบไว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 ปริณิพานด้วยอนุปาทิเศ ส, สนิพานธาตุแล้วเนี่ยรสถูุเราสร้างไว้สำหรับท่านสังคพรามนั้นเอามือทุบแผ่นดินรำให้รำพันไปยังลานเจดีนั้นถอนหญ้าแล้วเอาผ้าห่มห่อทรายนําไปเกลี่ยที่ลานเจดีพระปัจเจกับพุทธเจ้าเอาน้ำในคนโทน้ำประพรมทำการบูชาด้วยดอกไม้ปา่าเอาผ้าห่มยกขึ้นทาเป็นธง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 เรายกธงแผ่นผ้าและผูกฉัดที่พระเจดีย์นั้นด้วยผลกรรมของเรานั้นจนทั้งหลายจึงยกธงแผ่นผ้าและฉัดใหญ่น้อยจนถึงพบอากานิฐะดูก่อนภิกษุทั้งหลายดังนั้นบูชาวิเศษนี้ไม่ใช่บังเกิดเพราะพุทธานุภาพของเราไม่ใช่เพราะอานุภาพของนาคเทวดาและพรหมหรอกที่แท้ บังเกิดเพราะอนุภาพของการบริจาคเล็กๆน้อยๆต่างหากเราจบธรรมกถาได้ตรัสพระกถานิว่ามัตตาสุขะปริจาคาปเสเจวิปุลังสุขขังจะเชมัตตาสุขขังทีโรสัมปสสังวิปุลังสุขขังถ้าบุคคลพึงเห็นสุขอันไพยบู์เพราะสละสุขพอประมาณไซ ผู้มีปัญญาเมื่อเห็นสุขอันภัยบู์พึงสละสุขพอประมาณเสียดังนี้จบพันนารนาตนสูตรแห่งอัตถกถาขุท ธ, ธกะปาถะชื่อปรมัตถโชติกา